พอๆกระไรฟ้่เลยทิพก็ไม่ทิพดีอะไรอย่างงี้ออ้ยแบบนี้ยิงติดต่อกันสักร้อยนัด ก, ก็ยังไหวรอนอุธานออกมาพร้อมกระหักลํากล้องปลอกกระสุนขนาดเครื่องกระเด็นพล็อกออกมาอนุชาก็เข้ามาฉวยหมกคืนไปทันทีพอๆ พ, อ, พอแล้วแม่คุณกระสุนยิงหา ย, ยากๆ อ, อยู่ด้วยเอาแค่นี้แหละมันก็่ง่ายอะ่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลย เพียงแต่ถ้าจะใช้งานตอนจำเป็นจริงๆก็ระวังตัวเองแล้วก็ระวังพวกเราอย่างที่ชา ย, ยันบอกแล้วกันเกี่ยวกับสะเก็ดระเบิดนั่นแหละอนุภาพของเสียงระเบิดที่ดังซ้ําเป็นนัดที่สามช่วยขับไล่ฝูงแรงนับพันพันที่บินแต่คือขึ้นสูงบ่ายหน้าพระนี้อยู่ก่อนแล้วให้ต้องโกยเอ้าไปทั้งฝูงอย่างไม่คิดชีวิตดารินหัวเราะออกมาเบา หล่อนพอใจในความนิ่มนวลและอนุภาพเฉียบขาดของมันเป็นอย่างยิ่งทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยสนใจมาก่อนและเพิ่งจะมาเข้าใจเองเดี๋ยวนี้เองว่าเหตุใดพี่ชายและเพื่อนจึงจัดเตรียมเครื่องยิงระเบิดชนิดนี้ติดตัวมาด้วยมันเป็นอาวุธสงครามกึ่งหนักกึ่งเบาในด้านอนุภาพสำหรับพิฆาตคนโดยตรงทีเดียวน้าหนักของตัวปืนเองเบาสั้น กระทัดรัฐและไม่เป็นภาระอะไรทั้งสิ่งและที่วิเศษเหนืออื่นใดก็คือเสียงที่คมขวัญเป็นอย่างยิ่งควันสีเทาๆยังขมุงอยู่ตรงตำแหน่งที่กระสุนแล่นเข้าไปกระทบและระเบิดจุดนั้นหลอนสองกล้องมองแล้วเป่าลมออกจากปากพึมพำไฟทำท่าจะลุกด้วยสิน่ากลัวจังแล้วนูน่น แรงบินหนีกันไปหมดแล้วอาไปคราวนี้เราก็บุกเข้าไปในโดงไผ่นได้แล้วเดี๋ยวเห็นเองว่าอะไรมันเป็นอะไรแรงมันถึงได้ลงมามากมายขนาดนี้เชิถาประกาศขึ้นพร้อมทั้งบบกมืออนุชากรานอินก็เดินตัดทุ่งไต่ขึ้นเนินเข้าหาจุดหมายนำหน้าไปก่อนทันทีรองบอกพักพวกมาว่าเอาสปายไรยเฟิลไว้ก่อน ถือเอ็มสิบหกไว้ถ้าเผื่อมีไอ้พวกสัตว์ดูร้ายประเภทกินเนื้อยังเหลือเกล ก, กาหรือแตกพลานอยู่ในนั้นเห็นเราแล้วเข้าโจมตีไรเฟอร้อนํำยิงไม่ทันหรอกต้องล่อมันด้วยไอ้นี่ขยินบอกกันพวกลูกหาเตรียมลูกสองประจำตัวไว้ด้วยประโยคหลังเขาหันไปตะโกนบอกเจ้าอาดีตนักเลงโตหล่มช้างที่คุมอยู่เบื้องหลังเชฐาดารินและช ย, ยัน สะพายไรเฟิลขนาดหนักประจำตัวขึ้นไหลกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำ M16 แบบคอมมานโดแล้วเข้าห้ามไก่ไว้ถือในลักษณะเตรียมพร้อมเดินเป็นหน้ากระดานตามหลังไปในทันทีแล้วขนาดนั้นเองก็มีเสียงร้องบอกอะไรกันเ อ, อะอะจากพวกลูกหากเบื้องหลังทุกคนหันกลับมาก็เห็นท้องทุ่งลิบลิอยู่เบื้องหลังนั้น แรกสองตัวแม่ลูกกำลังวิ่งปูเลงปูเลงตัดทุ่งไปอย่างตกใจที่มันตกใจก็คงเพราะจะเนื่องมาจากเสียงคำรนของ M79 นั่นเองเป็นการวิ่งด้วยความตื่นตระหนกบ่บายหน้าห่างไกลลิฟออกไปคนละด้านทุกคนเหลียวมอดูมันอย่างขันขันระคนเอ็นดูทั้งคณะ ายหน้าใกล้ปา่าไผ่ทึบทมึนเข้ามาเป็นลำดับและเห็นเขียวเะอุ่มไปหมดและยิ่งใกล้เข้ามาก็ยิ่งเห็นร่องรอยพื้นเปียกแฉะอันเกิดจากฝนที่เคยตกอย่างหนักไว้อาจจะหลายวันมาแล้วแต่ก็ยังขังอยู่ตามปักที่ลุ่มอยู่ทั่วไปดงไผ่เองก็แลดูชื้นชุ่มชะอุ่มใบลมยังพัดจากทางด้านฝ่ายมนุษย์เข้าไปยังแนวปา่าไผ่อันกว้างใหญ่ ขวางสกัดหน้าอยู่จึงยังไม่กระสากกลิ่นไอใดๆทั้งสิน้นและทุกสิ่งทุกอย่างภายในความทึบทมืนนั้นก็ดูจะสงบราบคาบไม่มีอะไรกระตุกกระตา <c oughs> อนุชากนันอินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าบัดนี้กำลังด้อมดอมมองๆมีอาการเหมือนจะสำรวจหาทางด่านที่จะเป็นช่องผ่านเข้าไปยังบริเวณป่าไผ่อันกว้างใหญ่นั้น และมีอาการยังไม่แน่ใจอะไรบางอย่างส่วนดารินโบกมือเรียกขยินให้แยก่ออกไปทางด้านซ้ายโดยให้เจ้านักเลงโตลุงช้างเป็นเพื่อนไปกลัลลอนระหว่างที่พี่ชายใหญ่ชยันและขบวนลูกหาบยังเดินตามเว้นระยะมาทางเบืองหลัง <c oughs> พบรอยเท้าด้วยร่องรอยอะไรพวกนั้นอีกบ้างไหมเสียงเชิดทาวิทยุถามมา มันดังขึ้นทางด้านดารินและอนุชาซึ่งแยกห่างออกจากกันไปคุณละทางทางนี้ผมกั น, นันอินไม่มีวิแววอะไรเลยครับพื้นมีรอยฝนตกก็จริงแต่เข้าใจว่าจะตกหลังจากที่พวกนั้นผ่านกันไปแล้วละ่ะน้อยทางปีกซ้ายที่แยกไปนั่นมีอะไรบ้างไหมเฉพาะทางด้านนี้นะมันทึบเหลือเกินหาทางด่านที่จะเข้าไปไม่ได้เลย ยกหลังอนุชาพูดถามไปทางน้องสาวคนณเล็กพี่กลางกะลุงอินเลิกค้นหาทางด้านโน้นได้แล้วละค่ะส่วนพี่ใหญ่ก็ให้คุมพวกลูกหาไปทางด้านน้อยกับขยินนี่เราพบเส้นทางด่านขนาดใหญ่พอที่ช้างจะลอดเข้าไปได้แล้วล่ะี๋ยวที่แน่ๆก็คือพบก้อนซิ ก, ก้าของพวกนั้นทิ้งอยู่ริมทางนี่ก้นหนึงพวกเขาตัดเข้าเส้นทางนี้แน่นอนค่ะ เสียงแสดงอาการตื่นเต้นรีบด่วนของดารินบอกมาอย่างรวดเร็วและตัวหล่อนเองกับขยินก็ปักหลักรออยู่ตรงนั้น <c oughs> เชฐฐาต้อนลูกหา บ, บ่ายหน้าไปทางดารินทันทีส่วนอนุชากระนานอินก็เรียบชายโดงเข้ามาสมทบ ก, กะว่าอีกประมาณ29ทุกฝ่ายจะก้าวเข้ามาถือดารินก็พยักหน้ากับขยินก้าวบสว บ, สบตัดข้าเส้นทางด่าน ที่นำทะลุเข้าไปในดุมไผ่อันคลึ้มสลัวนั้นทันทีมันเป็นเส้นทางเดินเลี้ยวลัดไปมาเหมือนมีคนมาตัดเส้นทางไว้ให้ไล่ลอนสภายไรเฟิลที่เคยใช้ประจำมือส่วนมือทั้งสองกระชับ M16 แบบคอมมันโดในลักษณะเรียมพร้อมสายตาคมไวกว่าไปรอบด้านอย่างระมัดระวังเต็มที่แต่อันเนื่องมาจากระเบิด M79 ที่อนุชา ย, ยิงเคลียทางเข้ามาก่อนแล้วทำให้ไม่มีอะไรกระตกกระตากเลยแม้แต่ จ, กจักระจันไรๆก็ยังหู ป, ปีกสงบเสียงร้องกลายเป็นความเงียบสงัดนอกจากลมพัดกิ่งไผ่เสียดสีกันดังออดแอดแ อ, ดแอดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นวูบนั้นเองลมก็พัดโ ช, ชยมาจากเบื้องหน้าทั้งดารินและขยินทําจมูกฟุดฟิดฟุดฟิด ขยิงที่มือไปทางด้านหน้าหนาหญิงมีอะไรตายอยู่ข้างหน้าเราไม่ห่างนี่แหละเบื้องหน้าที่เผชิญอยู่เป็นกอไผ่ใหญ่ทางด่านแยกอ้อมไปทางด้านซ้ายและขวามือขยิงเราจะอ้อมไผ่กอทึบข้างหน้านี่ไปทางด้านไหนดีเอาซ้ายหรือขวา ราชสกุลสาวกระซิบถามขยินร่อนจมูกสูดกลิ่นแล้วบุ้ยปากไปทางขวาไปทางด้านนั้นนายหญิงกลิ่นมันแรงมาจากทางด้านนี้แต่จะให้แน่นอนขึ้นไปนายหญิงให้พรานชดกับพวกนั้นทั้งหมดลองอ้อมไปทางด้านซ้ายเราต้องแยกกันช่วยคนจะได้พบเร็วขึ้นดาริงยกวิทยุขึ้นทันที <c oughs> น้อยกับขยิงจะไปทางด่านด้านขวามือนี่นะคะพี่กลางลุงอินแล้วก็ทุกคนไปทางด้านซ้ายเชื่อหลังกอไผ่ใหญ่นี่คงจะมีทางบรรจบที่เราจะพบกันเองได้ทุกคนได้กลิ่นซากหน้าไว้ยังคะได้กลิ่นแล้วเชี่ยว้าเป็นคนตอบมาโดยเร็วพร้อมกับบอกต่อมาว่าจะไปทางขวามือก็ไปแนวเดียวกันให้หมดนั่นแหละ จะไม่อ้อเมือคนละทางละ่ะเพราะมันอันตรายเกิดอะไรพูดพลาดออกมาแล้วมีการยิงขึ้นดีไมด่ดีลูกกระสุนอาจผ่านกอไผ่ไปถูกพวกเรากเองไปทางเดียวกันยังพอมองเห็นตัวและพวกข้างหน้าก็คอยระวังวิถีกระสุนเฉพาะด้านหลังฝ่ายเดียวกันเท่านั้นถ้ามีที่กำบังตาปรเดี๋ยวเจอลูกปืนกันเองเข้าเท่านั้นแหละพี่ชายใหญ่ของคณะรอบคอบเสมอบุคลิกประจําตัวของเขาในข้อนี้ ไม่เคยสูญเสียหรือขาดหายไปเลยพร้อมกันก็สั่งให้อนุชาและนานอินสืบเท้าไล่หลังดารินกับขยินให้กระชั้นเข้าไปอีกกลิ่นเน่าโชยรุนแรงขึ้นทุกขณะแล้วชั่วไม่กิอึดใจของการเดินไปตามเส้นทางด่านซี่ขวามือนั่นเองขยินก็สะกิดแขนดารินโดยแรงชี้มือไปยังโคนรว่วตำแหน่งหนึกหล่อนหันขับมา ก็สาวเท้าตรงดิ่งเข้าไปทันทียืนจ้องพิจารณาอยู่ห่างประมาณสามสี่ว่าพยายามสะกดกลั้นทนกระกลิ่นอันเหม็นตลบนั้นอย่างเต็มที่ทั้งหมดที่ตามมาเบื้องหลังก็มาทันตรงตำแหน่งนั้นเห็นพร้อมกันหมดกระทิงใหญ่ตัว น, นอนตะแคงขากลางขึ้นอึดถืดอยู่ตรงตำแหน่งนั้นขาหลังด้านหนึ่ง และตำแหน่งตรงสันนอกมีรอยชำแหละกรีบแหวะตัดออกไปด้วยฝีมืออันชำนาญของพรานป่าชนิติเอาเนื้อไปเป็นอาหารอย่างฉาบฉวยพอชั่วมื้อชั่วคราวและพอเป็นแค่สเสบียงทิ้งร่างกายส่วนใหญ่ไว้ซึ่งขณะนี้มีรอยของสัตว์ป่าและแรงจิกทึงเอาไว้เพราะว่าขนาดที่พบนี่มีแต่มแมลงวันและนอนขึ้นไต ย, ยุบยั สภาพเน่าเปื่อยของสร้างทำให้ไม่สามารถจะสำรวจรอยกระสุนได้แน่ชัดนอกจากที่แน่แน่ก็คือกลางสันหน้าผากระหว่างดวงตาทั้งคู่เป็นรูงของกระสุนขนาดเล็กเจาะเข้าไปเห็นชัดเสียงพวกลูกหาบซุบซิบกันแซกนายรพินยิงกระพิงทิ้งไว้ทั้งโอวตรงนี้คงไม่ใช่นายรพินหรอก ที่ล้มไอกระทิงใหญ่ตัวนี้ลงอนุชาพูดเสียงต่ำๆพยายามสูดลมหายใจลึกเพื่อให้ชินกระกลิ่นเน่าแล้วแบกมือให้พักพวกทุกคนดูอะไรชยันหลุดปากถามแล้วชะงักเมื่อเห็นถนัดที่วางอยู่ในมือของอนุชาคือปลอกกระสุนที่เขาเก็บได้สามสี่นัดเป็นปลอกขนาดห้าจุดห้าหกมม ซึ่งขณะนี้ถูกน้ำฝนและเปลือกดินอยู่ปรากฏสนิมจับเขียวฮึลูกเอ็มสิบหกเช็ดทาอุทานออกมาเบาๆครับเอ็มสิบหกตรงโน้นก็มีปลอกชนิดเดียวกันนี่กระจายอยู่เป็นชุดทีเดียวไม่ต่ำกว่าสิบนัดดารินหันไปทางที่พี่ชายกลางชี้บอกแล้วก้าวพรวดพรวดตรงเข้าไปสำรวจพื้นทันทีจิงดังอนุชาว่า ปลอกกระสุน 5.56 มมล้นเกลื่อนกระจัดกระจายอยู่ในพงวัชพืชริมทางด่านนั้นห่างจากซากกระทิงลมประมาณ29เท่านั้นและมีรอยพงไผ่เล็กๆหักแหลกเป็นแปลงสังเกตได้จากสายตาอันรอบคอบเฉียบวัของหลอนเฉฐาชยันและอนุชาเดินตามเข้ามาหล่อนใช้เท้าเขี่ยปลอกกระสุนเหล่านั้นออกมากลิ้งให้ดู ทุกคนเงียบไปชั่วขณะจิตชนิดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ถูกกระพินไปไหนขณะที่พวกนั้นคนใดคนหนึ่งล่อกระทิงตัวนี้ด้วยเอ็มสิบหกดารินเอ่ยขึ้น ล, ลอยๆจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลางใจการพบกับกระทิงตัวนี้ จะต้องเป็นการพบอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็กระทันหันที่สุดไม่งั้นมันผิดวิสัยที่จะใช้ M16 ิยิงและคนที่ถือ M16 ก็เชื่อว่าเป็นแม่มเพียงสองคนเท่านั้นคือคริสกับอิซาเบลเพราะจากหลักฐานที่เราพบกันมาก่อนแล้วน่ะรู้แน่ชัดว่าได้มีการส่งไรเฟิลจุดส5 8หมาให้คณะนี้สองกระบอกทางฮอและปืนขนาดนี้ก็คงจะใช้ คนที่จะใช้ก็คงเป็นพันเอกคิดกะหัวหน้าคณะที่ชื่อดรสแตนลีย์ชยันอ่านรูปการแต่พวกของระพินก็จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหรือร่วมอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะมีรอยชำแหละเนื้อ ก, กระทิงออกมาเป็นสเสบียงได้ไงและนั่นอะไรอ่ะประโยคหลังอดีตทูตทหารบกชี้มือไปยังพงที่มีรอยกิ่งไม้หักแหลกเป็นแปลงเล็กๆตำแหน่งที่พบ ตลอกกระสุน 5.56 มมหลนกลัดเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆดารินกับอนุชาก้าวเข้ามาตรวจ ด, ดูอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วดารินก็คว้าเอาซองบุหรีวินสตันซองหนึ่งที่หล่นอยู่ใกล้พงรกขึ้นมามีรอยฉีกออกสู่ไปแล้วเพียงสองสามตัวนอกนั้นยังอยู่เต็มซองแต่ถูกฝนตกปีกยุ่ยไปหมดแล้วลันชูให้ทุกคนดูแล้วโยนไปให้อนุชา ผู้ยามนี้ต้องถือว่าเป็นนักแกะรอยและน่าจะอ่านเหตุการณ์ได้ดีกว่าทุกคนในคณะในฐานะที่เป็นพรางเจนไพรามาก่อนอดีตพลานชดเคาะบุรีซองนั้นในมือรีตาลงนี่คงไม่ใช่บุรีของระพินแน่ใช่ไหมน้อยไม่คิดว่าเขาจะสูบบุรีแบบนี้หรอกคะ่ะแต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ถ้าพวกนั้นแจกเขาก็คงสูบได้เหมือนกัน แต่มันผิดธรรมชาติอยู่อย่างว่าถ้าเป็นของระพินทําตกไว้เขาก็คงรู้ตัวแล้วก็ตามมาเก็บคืนไปคงไม่หลงลืมปล่อยให้ตกหายอยู่ตรงนี้หรอกเพราะมัวตื่นเต้นสำหรับมือขนาดนั้นเขาไม่ตื่นเต้นหรอกคะอ่ะอะไหนลงบอกแหวกพงตรงนั้นดูให้ดีสิอาจจะพบอะไรตกหล่นอยู่อีกช่วยให้พอสันนิฐานอะไรได้เพิ่มขึ้น ชั ย, ยันไม่พูดเปล่าลงทุนนั่งเอาปากกระบอก M16 ในมือเคี่ยหาแล้วก็ผิวปากวุ้วเมื่อพบสร้อยข้อมือแบบใสเล่นๆทองเคขนาด 18K เคเป็นสายโซ่และตรงแผ่นโลหะเขียนอักษรย่อไว้สองตัวตัวแรกเป็น C ตัวหลังเป็นกีอดีตนายทหารปืนใหญ่ค่อยๆห ย, ยิบขึ้นมาทันทีพอเช็ดกระขากาังเกงสะอาด สร้อยข้อมือนนั้นก็เป็นทองสุก ป, ปล่งแวววาวขึ้นมา ท, าทันทีส่งต่อห้อเชษฐาพี่ชายของคณะหยิบขึ้นมาดูเม้มปากมองไปรอบๆบริเวณอืมแบบนี้ก็พอจะชัดเจนว่าสมควรแล้วนะนะว่าสร้อยเส้นนี้ควรจะเป็นของใคร C น, น่าจะแทนความหมายว่าคริสติน่าไอ้ส่วนจีตัวหลังก็น่าจะแทนคำว่ากรวิล มันก็แปลว่าคริสติน่ามาล้มกริ่งอยู่ตรงนี้ขณะที่กระทิงชาร์ตเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของกระสุนเอ็มสิที่เราเห็นปลอกกลื่อนอยู่เหล่านี้ด้วยดารินปลาดเข้ามา่วยหมักไปจากมือพี่ชายใหญ่ทันทียกขึ้นพิจารณาค่เมง็งแล้วก้มลงดูพื้นอีกครั้งชยันก็ถามว่าไงน้อยเคเห็นด้วยไหมกับการสันนิษฐานของเชฐา ชัตสกุลสาวยังไม่ตอบ ท, ทันทีอนุชาแบมือขอรับไปดูบ้างแล้ยังไม่เต็มใจจะให้นักแต่แล้วก็หย่อนลงในมือของพี่ชายพร้อมกับกระซิบว่าพี่กาเดี๋ยวต้องคืนให้น้อยนะน้อยจะเก็บไว้อดีตพรานชดจับปลายด้านหนึ่งแล้วห้อยลงหาความยาวมันก็ใช่ตามที่เชษฐาบอกนั่นแหละ สรอยข้อมือใส่เล่นๆสลักอักษรย่อของนามแรกและนามหลังของแม่สาวผมทองคนนั้นแน่นอนคงไม่ใช่ของแม่ผมแดงที่ชื่ออิสเบลแน่ๆเท่าๆกับที่ไม่ใช่ของชายเมริการร่วมคณะที่มาด้วยแน่เหมือนกันมีรอยถูกขยี้หรือได้รับอันตรายตรงนี้ไหมด้วยดีที่อนุชาถามขึ้นลอยลอย เชื่อว่าไม่มีนะชยันตอบมาในขณะที่ยังนั่งพยายามค้นหาหลักฐานตรงนั้นง่วนต่อไปก็มีแต่รอยหลบลงมานอนกลิ่นระทิงชาติมาจากฝั่งโน้นอะ่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้มือไปเบื้องหน้าคนละทิศทางกับที่ซากล้มเน่าอยู่แม่หนีมีอาการล้มกลิ่งหกเมร ล, ลงโดยจงใจหรือโดยการฉุดกระชากเพื่อหลบของใครก็ตาม เดี๋ยวไอ้กระทิงเจ้ากรรมนั่นก็แล่นเลยไปแว้งตัวตัดตรงที่มันล้มอยู่นั่นถ้าคริสติน่าได้รับบาดเจ็บก็คงจะไม่หยุดกระทิงตัวนั้นลงได้ด้วยปืนประจำตัวของหล่อนซึ่งมีรอยยิงติดต่อกันไปอีกแล้วก็นัดสุดท้ายก็น่าจะเป็นนัดที่เรียกได้ว่า finish the game คือกระทิงลง้มลงแต่ยังไม่ตายสนิทหล่อนจึงปาดเข้าไปจอยิงกลางหัวตรงบาดแผลที่เราเห็นที่ทราบ ถ้ารพินไปไหนถึงได้ปล่อยให้แม่นี่ซัดกักร ะ, ะทิงอยู่ตามลำพังดารินถามขึ้นเสียงแห่แหบทุกคนอึ้งมองไปรอบๆอนุชา ย, ยักไหลถ้าต้นไผเหล่านี้พูดได้มันก็คงจะเล่าเราฟังโดยตลอดนะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงในขณนะนั้นแต่นี่มันพูดไม่ได้ถามก็ไม่บอกจึงได้แต่ใช้หลักฐานสันนิษฐานเอา จะเป็นไปได้ไหมที่ระพินเดินตามมาข้างหลังไม่นี่ก็บุกมาเบื้องหน้าตามลําพังอย่างคนถือดีก็เลยเจอะกระเทงตัวนี้ก็พอดีอืเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้น้องสาวเถียงหนักๆในลําคอคนอย่างระพินเหรอไม่มีวันยอมให้ผู้หญิงในความรับผิด ช, ชอบของเขาเดินลําหน้าโดดเดี่ยวมาคนเดียวหรอก หรือเมื่อกทิ้งชาร์ฉันก็ไม่เชื่อว่าแม่คริสตินานั่นจะไวพอที่จะล้มตัวลงไปกลิ้งหลบอยู่ตรงนี้ได้ทันเว้นแต่จะถูกใครกระชากหลบนั่นลุงอินถืออะไรเข้ามาให้ดูอีกแล้วมั้งหล่อนร้องเบาๆเมื่อเห็นหนานอินถืออะไรในมือวิ่งเหาะเข้ามาส่งให้มันเป็นปลอกกระสุนไรเฟิลจุด3 7ห h h แมกนัหนึ่งปลอก สภาพก็เก่าแก่พอๆกับปลอกเ1็มเหล่านั้นพร้อมก็ บ, บอกว่าพบตกอยู่ใกล้ๆกับทิกระทิ้งล้มนิดหนึ่งแล้วเหนือขึ้นไปตรงชุ้มไผ่ที่ไอกระทิงง้งนอนกลางขาอยู่นั่นมีกิ่งไผ่หักภับด้วยกระสุนปืนกลแล้วแกก็ส่งให้เชฐถาผู้รับไปพลิกดูพวกนั้นมีใครถือสามเจดห้าอยู่มั่งเนี่ย ก็มีบุญคำเกิดเสยจันแล้วก็นายทหารยศพันตรีที่ชื่อเชิดบุตรออนุชาบอกตามรายงานข่าวที่ได้รับทราบจากนายอัมพลล่วงนามาก่อนแล้วเออพบมีปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าแปดอยู่บ้างไหมมีใครพบหรือเปล่าดารินถามมาโดยเร็วก็พยายามหากันแล้วล่ะนายหญิง พบแค่นี่เองนัดเดียวเท่านั้นแถวแถวนี้นานอินตอบมาถ้างั้นก็แปลว่ามิไรเฟิลยิงช่วยมาเพียงกระบอกเดียวในขณะนั้นคือจุดสามเจ็ดห้านัดนี้แต่นัดที่เฉียบขาดดับกระทิงลงก็คือห้าหมมจากเ1 6ของคริสติน่าที่เจาะหน้าผาตำแหน่งปลอกกระสุนหางกันออกไป แสดงว่าไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ดึงคริสติน่าให้ล้มกลิ้งลงตรงนี้จนซองบุหรี่ในกระเป๋าเสือ้อแล้วสร้อยข้อมือขาดตกไว้ผลที่ซัด ก, กระหน่ำลงมาหลังจากนั้นมันกรร่องรอยอื่นๆสมหมดสิน้นถ้าแม่ผมทองคนนั้นเผชิญหน้ากับกระทิงตัวนี้ตามลำพังแล้วก็ล้มมันลงได้ก็ต้องนับว่าแม่จะประคูณมีฝีมือพอๆกมารีทีเดียวะ นุชาพึพรรมพำในลำคอแล้วส่งสร้อยข้อมือนั้นไปให้น้องสาวบอกต่อมาว่าเอา้าอยากจะเก็บไว้ก็เก็บเพื่อที่จะคืนให้เจ้าของเขาพร้อมๆกับราเซียที่เธอเก็บไว้ก่อนนั้นตนเวลาพบหน้าดารินรับมาใส่กระเป๋ากังเกงไว้สีหน้าหลอนเต็มไปด้วยความชงยนและกังวลในหลักฐานที่เห็นถึงยังไงดารินก็ยังไม่ยอมเชื่อว่า คริสติน่าจะเผชิญหน้ากับพยันตรายตามลําพังก็แล้วหลักฐานของระพินน์คนแล้วไม่พบเลยในละแวกนั้นหล่อนและทุกคนพบแต่หลักฐานสมบัติที่ตกหล่นอยู่ของแม่มสาวสวยเท่าที่เห็นจากภาพ ค, คนนั้นคนเดียวเท่านั้นปัญหาที่ก่อจุดกลางใจขณะนี้ก็คือระพินไปอยู่เสียที่ไหนในตอนนั้น ขณะนั้นเองขยินผู้สูกลินนราก็มาล่าเนื้อและบัตรนี้ได้เดินลึกหายออกไปก็ตะโกนโวกวกมาอย่างตื่นเต้นระหนกตกใจนายนายมาดูอะไรที่นี่แล้วทุกคนไหวตัวพลึบหันควับไปทางเสียงนั้นซึ่งก็ยังไม่เห็นตัวได้ยินแต่เฉพาะเสียงที่โวกเวกมาเท่านั้นนั้นยินออกแล่นนำหน้าไปก่อน อนุชาและดารินกับชายันเพ่นตามหลังไปติดๆส่วนเชษฐาเยือกเย็นอยู่ตามเดิมเขาไม่ตื่นอะไรนะักทำหน้าที่คอยคุ้มกันต้อนลูกหาให้รีบเดินกันต่อไปแล้วทุกคนที่มาถึงก็แทบทั้งหนักหลังมันเป็นบริเวณพื้นที่โล่งกว้างกลางวงล้อมของป่าไผ่ซึ่งมีทางด่านหลายสายพุ่งเข้ามาบรรจบรอบทิศไปหมด สิ่งที่เห็นอันดับแรกก็คือซากช้างนับจำนวนสิบสิบตัวนอนขึ้นอืดเกะกะอยู่เต็มทั่วบริเวณไปหมดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งแทบสลบยิ่งกว่าซากกระทิงที่พบกันมาแล้วสักเกือบร้อยเท่าเกือบจะทำให้ทุกคนทนไม่ไหวถึงกระายแขนเสื้อขึ้นอุดจมูกไม่มีปัญหา ฝูงแรงนับพันพันที่มองเห็นอยู่เมื่อยังอยู่นอกบริเวณลงจิกกินซากช้างที่นอนตายระเนระนาดอยู่ตรงบริเวณนี้นี่เองนอกจากรอยของแรงแล้วก็เป็นรอยของหมาป่าหมาในเป็นฝูงฝูงทุกซากตายมาแล้วประมาณเจ็ดแปวันคุณพระช่วยนี่มันอะไรกันนี่ฝ่ายนายจ้างร้องออกมา แล้วหลายคนก็สำลักผงากตอกิ่นอนุชาชี้มือให้คณะพักสังเกตกลางบริเวณที่มีร่องรอยของการตั้งแคมป์ท่ามกลางซากเน่าของช้างมากมายที่ถูกปืนถล่มกาเกลื่อนนั้นแล้วถามปนสำลักว่าจะเข้าไปสำรวจดูไหมนั่นหละหลักฐานสำคัญที่สุดแต่กลิ่นมันก็เหลือทนเอางั้น เป็นว่าใครทนไม่ไหวผมว่าก็เดินล่วงหน้าไปหลบเปล่งซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปลมตายเราต้องสำรวจดูให้ดีให้ได้ทนนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดอีกจุดหนึง่งที่จะผ่านไปเฉยเฉยไม่ได้เชษฐถาตอบอย่างเด็ดเดี่ยวหันไปมองดูชั ย, ยันกระดารินเหมือนจะถามไม่เป็นไรค่ะน้อยทนได้ไประเดี๋ยก็ชินเองฉันก็ทนได้ ชัยยันกลั้นใจตอบมาอีกคนแสดงว่าฝ่ายนายจ้างทั้งหมดไม่รักความพยายามแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกลิน่นเหม็นอันแท์จะทนกันไม่ไหวเชตาจิตตะโกนสั่งขยินว่าขยินหาพวกลูกหากเดินหลบไปก่อนไปพักที่ไหนก็ได้พอยพ้นกลิน่นเอาไปว่าเหนือลมเขาเขาไวเอาใม้ชวนเอาวิทยุเครื่องนี้ไป มนเดี๋ยวจะได้เรียกหากันได้ถูกว่าไปรออยู่ตรงไหนไม่ต้องตามกันเสียเวลาว่าแล้วเขาก็ล้วงเอาวิทยุมือถือสำรองอีกเครื่องหนึง่งส่งม้อไปหัวหน้าลูกหาถือติดตัวไปด้วยเปิดสวิต์รับฟังไว้พร้อมโดยสั่งไม่ให้ไปยุ่งกระตุ่งอะไรของมันนอกจากอธิบายวิธีกดคีย์แล้วพูดเมื่อถูกเรียกถามเท่านั้นหัวหน้าลูกหาพอจะเข้าใจได้ไม่ยากนกะ ระหว่างที่ขยินผู้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดตอนลูกหาให้พลาลีกออกจากบริเวณนั้นไปก่อนทุกคนก็เห็นดารินก้าวลีกลบซากช้างเน่าอันแทบจะนับจำนวนไม่ท่วนเป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้นเข้าไปภายในบริเวณใจกลางทันทีทุกคนใช้ผ้าขนหนูเล็กๆชุบบรนดีจนเปียกชุ่มคาดจมูกพออาศัยกรองกลิ่นอันชวนอาเจียนนั้นไวมันไม่ช่วยอะไรได้มากนะัก แต่ก็ยังดีกว่าที่จะใช้จมูกเปล่าๆท่ามกลางน้ำเหลืองและเศษเนื้อเน่าที่กระจัดกระจายอันเกิดจากฝูงแรงและพวกหมาป่าหมานายที่ลากถึ้งกันออกมากลาดกลืนนั้นขณะนั้นอากาศภายในโดงผายร้อนอบอ้าวยิ่ลงลมภายในไม่มีเลยอากาศเป็นพิษไปหมดด้วยกลิ่นซากน่าไม่มีใครอ้าปากพูดโดยไม่จาเป็น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 ก็คงเป็นเวลาเพียงแค่เที่ยงหรือบ่ายเท่านั้นยังเหลือเวลาของการเดินทางอีกตั้งหลายชั่วโมงมเรื่องใดจึงต้องมาหยุดพักกันที่นี่ก่อนแล้วก็เกิดปะทะกระช้างขลุงถึงขนาดขั้นตะลุมบอลยิงล้มไว้เก่นไปหมดสภาพของมันบุกเข้าโจมตีแคมป์พักแบบเดียวกับที่คณะของเชษฐาถูกบุกเข้าโจมตีเมื่อคืนนี้ที่โป่งน้าร้อนไม่มีผิดทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปได้ปัญหาแล้วก็ปัญหาจะช่วยคลี่คลายมองเห็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปสำรวจสถานที่ตรวจสอบดูจากหลักฐานเท่าที่จะค้นหาได้เพื่อการลงความเห็นวินิจฉัยเท่านั้นดารินวราริ้ไม่มีการระย่อจากภาพและกลิงไออันชวนคลื่นเขียนเหล่านั้นนนบุกนาหน้าตรงปรีเข้าไปยังบริเวณที่แลเห็น ว่าเป็นที่วางแคมป์ก่อนในทันทีในขณะที่พี่ชายทั้งสองเพื่อนและพรานครูนานอินก็กระจายกันออกตรวจดูตามทิศทางที่ซากช้างจำนวนมากมายนอนอึดทึดมีเนื้อเน่าแล้วก็เครื่องในถูกลากออกมากินอย่างเรี่ยราดกระจัดกระจายเหล่านั้นมันเป็นการพิสูจน์ชัดอีกครั้งว่ากระสุนระเบิดขนาด40มมของอนุชา ที่ไล่เบิกทางเข้ามาก่อนช่อขับไล่สัตว์ประเภทกินซากเน่าทั้งหลายให้เพนกระจัดกระจายกันออกไปหมดสินส้นซะก่อนหน้าที่คนชุดนี้จะเข้ามาถึงหากไม่เช่นนั้นคงจะฝ่าฝูงแรงเข้ามาไม่ไหวแน่เพราะมันกําลังเปิดปาร์ตี้ลงกินซากช้างเน่ากันอย่างมาโหูลานซึ่งแน่ละคงจะยึดเป็นที่พักที่กินกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วเนื่องจากมาพบอาหารจํานวนมากมกายก่กอง ชนิดกินกันได้เป็นเดือนเดือนทีเดียวกว่าจะหมดทารุณไม่ใช่เล่นเหมือนกันในการที่บุกเข้ามาสํารวจโดยใกล้ชิดชนิดเดินผ่านไปตามซากเน่าเฟะที่กําลังส่งกลิ่นเต็มที่เหล่านั้นหนานอินอนุชาสํารวจตามซากและทิศทางโดยรอบเชษฐาชยันและดารินตรงเข้ามาที่ตําแหน่งอันมีร่องรอยชัดว่าได้เคยเป็นที่วางแคมป์ เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองก่อนหลักฐานอื่นใดทั้งสิ้นที่ทุกคนก้าวเยียบผ่านไปก็คือปลอกกระสุนานานาชนิดที่ตกเกลื่อนบริเวณราวกระสงคลามมีทั้งปลอกขนาดจุด458ปจุดหปลอกลูกซองขนาด 1-2 สองและที่มากที่สุดก็คือปลอก M16 รวมแล้วไม่น้อยกว่า4500นัดกระจายทั่วบริเวณไปหมด มันแสดงถึงการยิงถล่มอย่างขนาดใหญ่ทีเดียวและเป็นการต่อสู้กันอย่างชุลมุนโดยขลงช้างเหล่านี้จะต้องบุกเข้ามาประชิด ต, ตัวร้านย่างเนื้อถูกเหยียบพังพินาศจะยังไงก็ตามไม่มีศพ ข, ของมนุษย์ใดปะบนอยู่กระซ่าช้างตายเหล่านั้นเลยหรือถ้าจะมีบ้างก็แสดงว่ามีการจับนำเคลื่อนย้ายไปฝังซะที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้ว สภาพของการสู้รบระหว่างกองทัพช้างกับฝ่ายมนุษย์เท่าที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้ยากเหลือเกินที่จะเชื่อได้ว่าฝ่ายมนุษย์ทั้ง2ี่สิคนที่ล่วงหน้ามาก่อนจะไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตบ้างเลยหนึ่งรหนึ่งดารินนั้นง่วนอยู่กับบริเวณอันเป็นตำแหน่งที่น่าจะเชื่อได้ว่า ใช้พักนอนของฝ่ายนายจ้างอเมริกันของระพินแล้วชั่วไม่นานหล่อนก็พบกับอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดชนิดหนึ่งในกองเศษขยะที่กวาดกวาดรวมกันไว้ใกล้ๆตำแหน่งนั้นหล่อนหยิบขึ้นมาดูโดยเร็วด้วยอาการตกใจเชิดขาซึ่งตามหลังน้องสาวก็ามาติดๆ ก, ก็มองเห็นอยู่ด้วยแต่ยังไม่เข้าใจอะไรนะักในสิ่งที่ดารินใช้นิ้วอันสวมถุงมือหนังคีดขึ้นมาดู อะไรน้อยเซลน์โซลูชันถุงน้ำเกลือสําเร็จรูปขนาดพันซีซีค่ะถุงน้ําเกลือดารินใช้เท้าเขี่ยที่กองขยะอันกลบกลบไว้อย่างไม่มิดชิดนักแล้วก้มลงไปหยิบขึ้นมาอีกถุงหนึ่งมีสายพลาสติกพร้อมสีหน้าแววตาของหล่อนที่เต็ ม, มไปด้วยความตกใจกังวลพร้อมกันก็หันไปรอบๆตัวเดี๋ยวปราดตรงไปยังต้นไผ่ลําหนึ่ง อันถูกตัดปักไว้กับพื้นดินบริเวณใกล้ที่พักนอนนั่นเองซึ่งบัดนี้ก็ยังทิ้งปักปักทางอยู่ขณะนั้นชายยังก็เข้ามาสมทบอีกคนหนึ่งแต่ยังไม่เอ่ยถามอะไรนอกจากมองดูถุงน้ำเกลือที่ดารินและเชษฐาถือติดมือกันอยู่คนละถุงหญิงสาวซึ่งบัดนี้แทบจะลืมกลิ่นอันเน่าเหม็นรุนแรงแวดล้อมรอบตัวไปหมดแล้วนั้น หลอนยืนพิจารณาอยู่ที่เสาไผ่ลำขนาดเท่าท่อนแขนนั้ น, นไหนด้หลักฐานอะไรคืบหน้าหรือเปล่าในที่สุดเพื่อนใช้อดทนทนอยู่ไม่ได้ก็ถามขึ้นเบาๆลอดออกมาจากผ้าเช็ดหน้าที่ชุบบรนดีปิดอยู่แทนคำตอบใดๆ ด, ดารินทดลองเอาถุงน้ำเกลืออันทาด้วยพลาสติกสำเร็จรูปนั้น แขวนกร ะ, ะรอยแง่ของกิ่งไผ่ลำที่ตักปัก ด, ด, ดินไว้ตำแหน่งนั้นแล้วปล่อยสายให้ห้อยลงมาความยาวของสายจะทอดลงมาสู่พื้นดินตรงตำแหน่งที่ควรจะมีบุคคล น, นอนอยู่ตรงนั้นได้พอดีเฉษถาก็ดูเหมือนจะตามทันความคิดของน้องสาวเ อ, อ่ยว่ามีใครมานอนให้นังกลืออยู่ตรงนี้ละมะ น, น้อยค่ะแน่นอนค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บ แล้วก็มานอนให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้เพื่อช่วยชีวิตก็คงจะเป็นการเจ็บด้วยอุปัตวายเหตุแล้วก็หนักมากทีเดียวจึงต้องใช้น้ําเกลือช่วยแล้วก็ให้ติดต่อกันถึงสองถุงด้วยคุณพระช่วยนี่หวังว่าคงไม่ใช่แม่คริสติน่าคนนั้นนะเพื่อนชายอุทานออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ ว, ว่าเป็นใครแล้วก็ได้รับบาดเจ็บยังไงขนาดไหนมั่ง แต่ที่รพินต้องหยุดพักอย่างกระทั a หันวางแคมป์ลงที่นี่โดยไม่เดินต่อไปทั้งๆ ท, ที่เวลายังมีเหลือเฟือก็คงเพราะต้องช่วยชีวิตคนเจ็บอย่างเร่งด่วนนี่แหละนําเกรสําำเร็จรูปอันเป็นเวชพันฑ์สาคัญนี่จะต้องมาจากการกระเตรียมอย่างรอบคอบของพวกเมริกันแล้วผู้ที่จัดการรักษาก็คือผู้หญิงที่เป็นหมอประจาคณะคืออิซาเบลดาลินพูดขึ้นโดยเร็ว เชษายกมือขึ้นสูงแล้วดีดโดยแรงอนุชากะนันอินผู้กำลั ง, งตรวจ ด, ดูไปทางอื่นท่างตลางซากช้า ง, า ง, างได้ยินเพราะมันเงียบมากหันขวับมา ท, าทันทีพี่ชายใหญ่กวากมือเรียกอดีตพรานชดกับคู่หูพรานเท่าของเขาก็ก้าวสวบสุบเข้ามาพอถึงเชษาก็เชี่ยดูหลักฐานนั้นพร้อมทั้งอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างเร่งด่วนอนุชาขมวดคิว้ว งั้นก็ใช่แล้วครับนี่เป็นการตอบข้อสงสัยของเราที่ว่าทำไมระพิงถึงต้องมาหยุดพักอย่างกระทันหันตรงนี้ทั้งที่ออกเดินทางมาจากป่งน้ำร้อนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เพราะมีคนเจ็บหนักจากกุปทวเหตุซึ่งต้องช่วยชีวิตด่วนนี่เองเป็นไปได้ไหมที่คนคนนั้นจะเป็นคริสติ น, าน่าผู้ที่เราจะพบร่องรอยหลักฐานว่าซัดกับกระถิงตรงโน้น ชยันถามมันก็ทายากนะแต่ก็น่าจะสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะหลักฐานแสดงว่าคริสประจันหน้ากับกระทิงและมีการยิงป้องกันตัวกันอย่างดุเดือดที่สุดรอยปอกกระสุนแสดงว่ายิงรัวแบบฟัวโต้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นพวกลูกหาบหรือคนอื่นก็ได้หรือมิฉะนั้นก็เป็นตัวรับพินเองนั่นแหละระพินเหะอ เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เชี่ยาร้องเสียงสูงคนอย่างเขาจะมาพลาดท่าเสียทีอะไรกะไอ้กระทิงตัวแค่นี้รู้วงลุงอินประโยคหลังหันมาถามนานอินผู้มามองอยู่บริเวณนั้นอย่างไม่สู้จะเข้าใจอะไรนะนานอินก็ไม่เชื่อนะว่าถ้ามีคนเจ็บมารักษาตัวตรงนี้คนนั้นจะเป็นนายระพิน ถ้าเจ็บเพราะไก่จับสันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเจ็บเพราะสัตว์ป่านี่ต้องไม่ใช่นายราพินแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปได้วยปัญหาที่ทุกคนจะต้องขบคิดด้วยความตังขาระคนประหวัติใจหลักฐานมันชี้ชัดอยู่เช่นนี้ว่ามีคนเจ็บกระทันหันแน่นอนขอบวนเดินทางจึงต้องดึดชะงักแล้วช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วน มีหลักฐานตรวจสอบได้ไหมคะพี่กลางว่าขบวนทั้งหมดมาพักอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ดารินถามพี่ชายกลางเร็วหรืออนุชาวกว่าตามองไปรอบๆ อ, อีกครั้งเอามือขยี้จมูกเขาไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่นำทางแกะรอยเท่านั้นทุกคนยังกะเกณให้เป็นนักสืบหาร่องรอยและสันนิษฐานด้วยแล้วไอ้การจะสันนิษฐานในสิ่งที่ตนไม่ได้เห็นกับตา นอกจากโดยหลักฐานที่ทิ้งห่างกันถึงเจ็ดแปดวันน้ำซันยังมีธรรมชาติคือฝนตกลงมาชา้ะอย่างหนักเป็นการลบร่องรอยละเอียดอื่นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้ง่ายๆนักคนในกองขยะนนั่นอีกนอกจากถุงน้งเกลือสองถุงนี่แล้วยังมีกี่ถุงที่ทิ้งอยู่บ้างไม่มีแล้วค่ะก็มีอยู่แค่สองถงนี่ง ฉันน่ะไม่มีความรู้ในทางแพทย์นะน้อยอน่าจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะงั้นก็ลองบอกมาสิน้ำเกลือขนาดถุงละพันซีซีที่จะให้กับคนเจ็บหนึ่งถุงนะกินเวลาถุงละเท่าไหร่ถึงจะหมดก็ประมาณห้าหรือหกชั่วโมงถึงจะหมดหนึ่งถุงค่ะการให้สองถุงก็แปลว่าคงจะต้องให้ติดต่อกันไปภายหลังจากที่ถุงแรกหมดดารินบอกมา การโต้อตอบของคณะเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวที่สุดถ้งนั้นก็แปลว่าคณะของรพินมาหยุดอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนบ่ายภายหลังปะทะวัวกระทิงตัวนั้นต่อจากนั้นก็ช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งเราก็ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นใครน้ำเกลือถูกให้สองถุงติดต่อกันน้อยบอกว่าถุงหนึ่งกินเวลาห6กชั่วโมงสองถุงก็กินเวลาตกราว 10- สองชั่วโมง เพราะฉะนั้นคณะนี้ก็ต้องหยุดและแรมคืนที่ตรงนี้แน่นอนตามหลักฐานจากถุงน้ำเกลือที่ช่วยคนเจ็บเนี่ยเชีาศูาส์นทันทีเข้าใจว่าบุกโจมตีเข้ามาหลังจากพวกนั้นวางแคมป์แล้วแต่จะตอนกลางวันหรือกลางคืนน่ะไม่ทราบได้มีการยิงปะทะกันอย่างดูเดือดที่สุดเหมือนที่มันเข้ามาโจมตีเราเมื่อที่ผ่านมานี่แหละสะภาพเดียวกันไม่มีผิด เป็นการโจมตีระหว่างพวกนี้พักโดยมีคนเจ็บอยู่ด้วยไอสิ่งที่เราไม่รู้ต่อไปก็คือในพวกเขานะ่ะมีใครได้รับอันตรายใดๆอีกบ้างนอกเหนือจากคนเจ็บที่นอนให้น้ำเกลืออยู่แต่จากลักษณะของปลอกกระสุนทุกชนิดที่เกลือนไปหมดสากช้างจำนวนมากที่ตายระเนรนาศก็น่าจะแปลว่าพวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกันได้อย่างทันการ ออกเดินทางเพลาออกจากที่นี่ก็คงจะเป็นวันรุ่งขึ้นก็เวลาไหนไม่ทราบอีกเหมือนกันแต่เชื่อว่าไปในวันรุ่งขึ้นแน่นอนเพราะคงจะไม่อยู่รอให้ซากช้างมันเน่าส่งกลิ่นรบกวนแน่ถ้าอย่างงี้ก็แปลว่าไอ้ช้างนรกผีลงเหล่านั้นเล่นงานพวกของระพิน์มาก่อนแล้วพอเราตามมาก็เล่นเราเขาอีกกันไงชัยยันสรุป แน่นอนไม่มีปัญหาหลักฐานมันชัดเนี่ยอนุชาชี้มือไปอยังซากที่ขึ้นอืดรอบ ต, ต, ตัวเต็มบริเวณไปหมดแต่ไปตรวจดูทางโน้นพบร่องรอยอะไรอีกบ้างไหมผู้ถามคือชัยยันมีอันชุนชาตอบมาง่ายๆก็มีหลักฐานว่าพรานพื้นเมืองของระพินกับพวกลูกหาบมีจุดพักนอนอยู่แห่งหนึ่ง ส่วนทางด้านนี้เป็นกระโจมพักของนายจ้างเพราะพบกองฟืนที่ก่อไว้ตรงโน่นอีกกองเหมือนกันอืมใช่นั่นเป็นลักษณะการนอนในป่าของรทพินเน่ยเพราะเขาจะแยกนอนต่างหากออกไปจากฝ่ายนายจ้างเสมอเว้นแต่จะมีการเข้ามาร่วมหารือหรือร่วมกินอาหารบางมือบางขนาดสมัยที่เขาเดินกับพวกเราเขาก็ปฏิบัติเช่นนี้พวกลูกหาบนั่นก็จะถูกจัดเวีนยามกระจัดกระจายกันออกไปล้อมวงที่พักนายจ้างไว้ เชิดฐาแสดงความเห็นตามอุปนิสัยและธรรมชาติของระพินที่ตนคุ้นเคยมาดีก่อนแล้วพี่กลางช่วยนำไปดูตรงตำแหน่งที่พวกลูกหาบนอนกันอยู่ได้ไหมดารินบอกมาอย่างร้อนใจอนุชาก็พยักหน้านำเดินดุมดุมหลีกซาบช้างเน่าเหล่านั้นตรงเข้าไปทันทีทั้งหมดเดินตามไปติด พอถึงหญิงสาวก็พยายามกวาดสายตาดูไปรอบๆแต่ก็ทำได้ยากลำบากมากเนื่องจากแทบทุกแหง่งมีซากช้างนอนตายทับอยู่ทั้งสิ้นแต่กระนั้นก็ยังพอสังเกตเห็นร่องรอยของการนอนพักของพวกพรานพื้นเมืองอันน่าจะสันนิษฐานได้ว่ารพินเองก็คงจะมานอนอยู่กับคนของเขาตรงตำแหน่งนั้นด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ตัวบุคคลเคราะหร้ายที่นอนรับน้าเกลืออยู่ยังตาแหน่งที่หล่อนค้นพบ ทุกคนช่วยกันแยกตรวจมีรอยตัดไม้ไผ่หลายต้นซึ่งสันนิษฐานกันว่าจะต้องนำมาทำแคร่นอนของคนเจ็บหรือแค่แบกหามไปรอยหักระเนระนาดของไผ่เล็กๆรอบด้านซึ่งเกิดขึ้นจากขลงช้างบุกรองตำแหน่งกองไฟใหญ่ที่ฟื้นดุนโตโตมีรอยกินไฟแล้วถูกพรากออกจากกันเมื่อจะละจากแคมป์ตรงนี้ไป ชา ย, ยันคุ้นเข้าไปพบเศษกระดาษพลาสติกของยาประเภทแทบ็บเลตหรือยาเม็ดชนิดหนึ่งใกล้ๆกับขอนไม้ส่งให้ดารินดูหญิงสาวรับมาพิจารณาดูตัวอักษร อ, อันเป็นตัวรหัสแล้วอุทานออกมาว่าแก้ไขมา เ, เรียแต่เป็นตัวยาชนิดใหม่ลักษณะไม่มีขายในตลาดขายยาหมอตีทั่วๆไปแน่ใจเหรอน้อย พี่ชายกับเพื่อนถามมาเป็นเสียงเดียวกันค่ะแน่ใจที่สุดค่ะเป็นยาชนิดที่ใช้ในหน่วยเดินป่าหรือหน่วยตหารอเมริกันล้วพิเองไม่มีปัญญาที่จะหายาประเภทนี้ได้แน่แนค่ะนอกจากพวกนั้นจะให้ถ้างั้นก็พอจะโตะพอได้แล้วละ่ะเครียดถามบอกอย่างโล่งอกขึ้นเล็กน้อยระหว่างที่มองย้อนกลับไปยังลำไผ่ที่ใช้ปักแทนเสาน้งเกลือ เสาน้ำเกลือฉุกเฉินปักอยู่ตรงโน้นใต้แค้มนายจ้างแต่ตรงตําแหน่งที่พวกลูกหาบนอนซึ่งเราเชื่อว่ารพินควรจะมานอนอยู่ด้วยนี่มีหลักฐานการใช้ยาแก้มาเรียมันก็แสดงว่าคนที่นอนรับน้ําเกลือตรงโน้นต้องไม่ใช่รพินแน่นอนมิฉะนั้นเขาจะมากินยาแก้ไข่ตรงนี้ได้ไงคนเก็บจากอุบัิเหตุถึงก็ต้องให้น้ำเกลือจึงไม่ควรจะเป็นรพินแต่รพินเอง ในตอนกลางคืนก็คงจะเจอกอาการจับสั่นด้วยอย่างกระทันหันละ่ะทุกคนเงียบกริบกันไปอีกถอยจัดที่นี่เถอะครับทนกลิ่นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นลมสรุปกันมั่งเท่นั้นแหละในที่สุดอนุชาก็ชวนขึ้นทั้งหมดถละถอยออกมาจากบริเวณที่กลาดเกลื่อนไปด้วยซากช้างนั้นทันทีโดยเลี่ยงออกมาอย่างด่านที่พอจะสังเกตได้ว่า คณะของตะพินเคลื่อนย้ายไปทิศทางใดซึ่งขยินกับนายชวนและลูกหาบทั้งหลายก็คงล่วงหน้าไปก่อนแล้วเชษฐายกวิทยุขึ้นเรียกพอนายชวนตอบมาเขาก็ถามว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนล่ะแล้วกนายชวนได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมตามขึ้นมาแนวด่างใหญ่ด้านตรงนี้ครับในายใหญ่พวกผมอยู่ไม่ห่างนักหรอก แต่ก็ยังได้กลิ่นซากเน่าอยู่พอทนได้พบรอยพวกนายราพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วทางด้านนี้ครับมีรอยหากแคร่ไปด้วยไม่รู้ใครเป็นอะไรถึงต้องหามกันอออรอยอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเชษฐาสั่งและตบไหล่น้องสาวให้เดินล่วงหน้าไป ท, ทันทีแต่ดารินมีอาการชะงักคุ้นขิดหลนต้องการที่จะค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุด พระสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บที่ต้องให้น้ำเกลืออันเป็นหลักฐานที่ทิ้งไว้แสดงว่าระวางให้น้ำเกลืออยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของนายจ้างอเมริกันของระพินเนื่องจากตำแหน่งนอนนั้นใกล้กับกระโจมพักมากที่สุดจึงยังรี ร, รีรอรออยู่แล้วก็ตัดสินใจบอกว่าพี่ใหญ่ก็ทุกคนล่วงหน้าไปก่อ น, นกันค่ะเดี๋ยวน้อยขอลุงอินเอาไว้เป็นเพื่อนคน จะขอเดินย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่คริสยิงกระทิงตัวนั้นสักหน่อยเชื่อว่าอาจจะมีหลักฐานอะไรที่เรายังค้นหาไม่พบหลงเหลืออยู่บ้างพี่ชายใหญ่และคนอื่นๆไม่ว่าอะไรเพราะรู้มือดีอยู่แล้วตัณใจแต่ยายช้านักนะจะไปรออยู่ข้างหน้าเปิดวิทยุติดตัวไว้ด้วยแล้วกันว่าแล้วเชษฐาธนุชาและช ย, ยันก็พระเดินล่วงหน้า ตามหลังพวกลูกหาบและขยินไปทันทีคงปล่อยให้ดารินและพรานเท่านาันอินอยู่ที่เดิมตามลังพังสองคนบัดนี้ดารินมองไปรอบๆ บ, บริเวณ น, นั้นเพิ่งจะสังเกตลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องรอยซุ้มและกิ่งไยัยหักยับเป็นแปลงรอบด้านไปหมดหลงเหลืออยู่ให้เห็นชัดแสดงให้เห็นถึงการบุกเข้าโจมตีของขลุงช้าง และฉากการยิงต่อสู้ชุลมุนในระหว่างนั้นนานอินเองก็ยืนพิเคราะห์อยู่เช่นกันถามมาว่านายหญิงจะตรวจดูอะไรอีกเรอก็ขอค้นหาอะไรอีกสักสองสามนาทีเถอะลุงพอจะทนกลิ่นไหวไหมสบายนายหญิงไอกนน้กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นน่ะนานอินเคยชินซะละว่าแต่นายหญิงเถอะ ฉันก็ทนได้ลุงตอนนี้นะ่ะชินแล้วตรวจนับดูแล้วซากช้างทั้งหมดมีกี่ตัวที่พวกนั้นยิงล้มไว้ตรงนั้นกเราวๆสิบสองสิบสามตัวน้อยกว่าที่เรายิงเมื่อคืนซะอีกเชื้ภูมิที่นี่น่ะดีเป็นดงไผ่ตันทึบมีทองมีทางเข้าออกเป็นเส้นทางด่านแคบๆเพียงไม่กี่ทางพวกมันบุกดาหน้าเข้ามาพร้อมๆกันไม่ได้ เลยทำให้ยิงสกัดง่ายแล้วปลาหางออกไปก็แหลกยับเป็นทางรอบไปหมดตอนพวกมันแล่นเปิดหนีไปนายหญิงจะเอาอย่างไรลุงเราไปที่กองขยะหลังบริเวณที่นอนของพวกนั้นอีกครั้งเถอะฉันว่าน่าจะมีหลักฐานอะไรที่เราค้นไม่พบอยู่ที่นั่นอีกพอจะช่วยเดาเหตุการณ์ได้เมื่อกี้ก็ยังค้นหาไม่ละเอียดนะหาจริงไม้ก็สักอันแล้วกัน ประเดีย๋ยจะได้เคลียดูอ่ะได้ๆๆ้ไไปๆนายหญิงนั้นอินรับทำง่ายๆก้าวนำกลับเข้าไปยังตำแหน่งนั้นอีกครั้งดารินตามตติดแก้วมีดที่เน็บหลังอยู่ปัดได้กิ่งไผ่เล็กๆลิฟให้เหลือสั้นแค่สอกเศษสองอันส่งให้หลอนอันหนึง่งแล้วทั้งสองก็เข้ามาถึงบริเวณโคลนไผ่ซึ่งคณะของระพินเคยพักอยู่ ตำแหน่งเดียวกับที่หล่อนพบถุงน้ำเกลือกับเศษกระป๋องเครื่องเรทชนตลอดจนเศษวัสดุที่ใช้แล้วนาน า, นานชนิดอันกลบไว้ลวกๆด้วยเศษใบไม้ต่างช่วยกันซุดตัวนั่งใช้กิ่งไผ่คุ้ยเขี่ยกองนั้นอย่างระมัดระวงังละเอียดถี่ถ้วนที่สุดดารินพบเศษผ้ากอสสัมฤีที่ซับเลือดและปิดบาดแผลที่ถูกเปลี่ยนออกและทิ้งไว้ ส่วนนั้นอิงคุยได้หลอดพลาสติกเล็กๆ ล, ลักษณะเหมือนหลอดฉีดแต่สีและขนาดต่างกันไปเล็กน้อยส่งไปให้หลอดดารินรับมาพิจารณาหล่อนก็รู้ได้ทันทีว่าหลอดยาชนิดหนึ่งเป็นหลอดยาสลบสำหรับฉีกเข้าเส้นเลือดอีกหลอดหนึ่งเป็นหลอดมาเฟีนระงปปรับปวดและกล่อมประสาทมีการบาดเจ็บสาหัสจากแผลสดขึ้นจริงๆ แล้วก็มีการฉีดยาสลบก่อนจะเย็บแผลด้วยล่นพึมพำกับตนเองขณะที่พิจารณาดูหลักฐานที่ค้นพบใหม่นั้นแต่เราจะเดาได้ยังไงเนี่ยว่าใครที่เคราะห์ร้ายแล้วก็ถูกอะไรเขานานอินได้ยินก็ตอบมาว่าวางใจเถอะนายหญิงคนเก็บรายนี้น่าไม่ใช่นายระพินแน่ๆ่เพราะถ้าเป็นนายราพิน ก็เดินทางต่ออีกไม่ได้ต้องหยุดชะ ง, งักกันหมดคนนาทางเจ็บหนักถึงขนาดนั้นพวกนั้นจะกล้าเดินกันต่อได้งไงนั่นนินว่าอาจจะเป็นพวกหูุกหาดหรือไม่ก็เป็นพวกฝรั่งนั่นแหละหญิงสาวใช้ความคิดหนะักถ้าฝรั่งอันเป็นพวกนายจ้างโดนเข้าแบบนี้ฉันว่าการเดินทางก็ต้องชะ ง, งักเหมือนกันนะลุง ก็อาจจะย้ายที่พักให้พ้นจากบริเวณช้างตายนี่ไปก่อนแล้วก็ไปวางปางพักรักษาตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นการเดินทางก็ช้าลงแล้วเราก็คงจะตามทันในวันสองวันนี่แน่แน่และนายหญิงรู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรช้างบุกเข้ามาหรือว่าเกิดจากกระทิงตัวนี้ไม่เช่นนทเหตุการณ์ไม่ออกเลยนะลุง ครูพรานเอามือลูบหัวตจเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันจึงไม่พูดอะไรดารินลุกขึ้นยืนเก็บรวบรวมวัสดุอันเป็นหลักฐานในการเยียวยานั้นค่อยๆบรรจุใส่ในถุงพลาสติกเล็กๆที่เก็บขึ้นมาได้แล้วมัดปากถุงไว้ด้วยยางจากนั้นก็สกิดไหลน้นอินให้ยืนขึ้นไปเราลองย้อนกลับไปสารวจตรงตาแหน่งที่มีรอยยิงกระทิงครั้งแรกและรอยที่แม่มคนนั้น ล้มกริ่งอยู่ตรงนั้นอีกครั้งสิเชื่อว่าต้องทัดรวจละเอียดก็คงจะพบอะไรอีกแน่ลุงช่วยฉันค้นหาด้วยแล้วกันแล้วทั้งสองก็เดินย้อนกลับเส้นทางเก่าอันอยู่ไม่ห่างนักโดยมุ่งไปยังตำแหน่งที่เชื่อว่าคริสติน่าล้มกลิ่งอยู่เพราะสร้อยข้อมือของแหม่มสาวคาตกทิ้งให้พบได้ที่นั่นนั้นอิน อ, อกนำร่วงหน้าไปก่อนทันที แต่ไม่ห่วงด้านหลังนะ้วเนื่องจากเห็นชัดว่ามีช้างใหญ่คือเจ้าด้วนทําหน้าที่เป็นองครักษ์นายหญิงอยู่ด้วยทั้งตัวจะยังไงซะมันก็คงจะดูแลราชสกุลสาวได้ด้วยสัมผัสแห่งภัยอันตรายต่างๆอันเหนือกว่ามนุษย์มากนะเพราะธรรมชาติของมันเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วดารินนั่นยังไม่ออกเดินจ้องมองไปยังคอของเจ้าด้วนแล้วก็ยิ้มออกมาได้อีกครั้งไม่เห็นว่าพระเครื่องรางของหล่อน ผูกไว้กะคอของมันยังปะกะติดีอยู่เหมือนเดิมสายเชือกที่ผูกไว้ไม่ขาดหายบริเวณแผลที่ห่อพันองค์พระเครื่องไว้ก็เรียบร้อยแน่นหนาดีแสดงว่ามันก็คงรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่นายหญิงสวมคล้องไว้ให้จึงไม่ได้พยายามดึงทึงออกนี่ล้วนย้ยายสิ่งนั้นหลุดขาดจากคอเียนขาดทีเดียวนะ นั่นแหละจะเป็นสิ่งคุ้มกันตัวเธอได้อย่างดีที่สุดล่ะเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะพูดภาษาคนไม่เป็นดารินพยักหน้าร้องบอกให้ตามมาแล้วหล่อนก็หมุนตัวกลับแต่แล้วก็ต้องชะงักงวงของเจ้าด้วนยื่นมารัดเอวหล่อนไว้เบาๆทำให้หญิงสาวชะงักไม่อาจจะเดินต่อไปได้แล้วก็รู้สึกเข้าใจในอาการนั้นทันที เพราะช้างใหญ่ค่อยๆย่อเข่าหน้าทั้งสองสุดกายหมอบลงอาการของมันก็คือต้องการให้หญิงสาวขึ้นขี่คอมันไปไม่ว่าหล่อนจะร้องบอกมันเช่นไรว่าหล่อนต้องการจะเดินไปเองแต่เจ้าร้วนก็ยังไม่คลายงวงรัดอยู่เช่นนั้นเอาเ อ, าเอาตกลงลอนยอมจำนนพร้อมกับหัวเราะเบาๆอันนี้บอกก่อนนะ ฉันจะขึ้นคอเธอไปจนถึงพวกเราที่รออยู่เท่านั้นพอถึงพวกนั้นแล้วจะไม่ฉันนั่งบนคอเธอแบบนี้ต่อนะไม่ได้นะพร้อมกับกล่าวหล่อนยกมือขึ้นไหวขอกมาหลวงพ่อทวดที่แขวนติดคอเจ้าด้วนอยู่และนึกอธิษฐานขมาพยาคตชสารที่ยอมตัวลงมาเป็นพาหนะให้แกหล่อนด้วยจากนั้นจึงค่อยปีนเหยียบขาหน้า แล้วตายีขึ้นไปนั่งครอมอยู่บนคอแบบควานช้างพอรู้สึกว่านายสาวขึ้นไปนั่งทรงตัวได้มั่นคงเรียบร้อยแล้วเจ้าด้วนก็ทรงกายขึ้นยืนอย่างนิ่มนวลที่สุดอึดใจเดียวร่างของดารินก็พังงาดลอยขึ้นเหนือปา่ารอบด้านทั้งมวลราวกับนางพญาพรานี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่หลอนได้ขึ้นคอเจ้าด้วน ช้างป่าซึ่งถือซึ่งถึงแม้ระพินจะไม่ได้เลี้ยงไว้ก็เปรียบคล้ายๆกับช้างของเขาเองเช่นกันเนื่องจากเขาสั่งไม่ให้พวกชาวป่าคนใดทําอันตรายมันมาก่อนเลยแล้วมันก็ไม่เคยทําร้ายใครถึงตายนอกจากอรารวาดเล่นบ้างด้วยริดขนองเหมือนจะหยอกๆเท่านั้นในอนดีตที่แล้วมากับการที่ชอบเข้ามาหักพืชไร่กินทําความเสียหายให้กับการเพาะปลูกนานทีปีหน แก็ไม่ทําให้ชาวป่าชาวเขาต้องเดือดร้อนมากหนะักเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นที่มันย่างไปอย่างเงียบกริบเบาเหมือนมดเดินเพียงแต่บางขณะขุนทางแคบร่างกายใหญ่โตอาจกระทบกระกิงภายทาให้บังเกิดเสียงขึ้นบ้างเจ้าด้วนผู้มีดารินอยู่บนคอก็เดินตามมาทันนานอินผู้ใช้ฝีเท้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเร่งไปให้ถึงคณะพัก ซึ่งกำลังรออยู่นานอินนั้นหันหลังกลับมามองครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนที่ได้ยินเสียงดารินร้องเอกอะขณะที่เจ้าด้วนพยายามจะเอาขึ้นบนคอของมันให้ได้แล้วก็หยุดยืนดูพอเห็นหล่อนยอมขึ้นคอช้างใหญ่ตัวนั้นแกก็ออกเดินต่อโดยไม่สนใจอะไรอีกเพราะรู้ในความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างมนุษย์สาวน้อยกับพญาคชสารตัวนั้นดีอยู่แล้ว เจ้าด้วนก้าวมาทันแกแทนที่จะเดินตามหลังมันกลับใช้งวงผลักดุนหลังหนานอินเบาๆจนแกเซหัวขมังไปเบื้องหน้าแทบจะหกล้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเวนด้วนเสื้อพักรู้ทำไมวะแกร้องด่าขมถมเถะเจ้าด้วนไม่ฟังเสียงเดินตามเข้ามาอีกแล้วก็ใช้งวงดุนหลังหนานอินอยู่เช่นนั้นอาการของมันเหมือนจะบอกทานองว่าแตแกนี่เดินช้าอยู่ได้ เร่งเร่งเดินเข้าด่ารินหัวรอลั่นออกมาได้เป็นครั้งแรกหลอนกบขันในความขี้เล่นและแสนรู้ของมันเอามือตบลงไปบนหลังอันสากหนาบนศีรษะนั้นร้องบอกว่าด้วนอย่าไปผลักลงอินก็นอย่างนั้นสิเดินช้าๆตามหลังกันไปก็ได้แล้วกันไปผลักคนแก่อย่างนั้นได้เหรอไม่อ้าวไม่อ้าด้วนนั้นอินสะบดอุบอิบอยู่ในลําคอ เบี่ยงหลบเข้าข้างทางด่านและยืนเท้าเอวพูดอย่างเดือดเดือดว่าไปไปไปไอ้เวน้นมึงเดินล่วงหน้าไปก่อนไม่ต้องมาดุนมาผลักกูอยู่งี่หรอกขามึงยาวกว่กูตั้งสิบเท้าเดี๋ยวพักไปซะเลยไอ้นี่เจ้าด้วนยืนหันรีหันขวางทำท่าเหมือนจ้าตัวแก่เดินนํามันไปข้างหน้าให้ได้แต่พอหนานอินตวัดซ้ําอีกครั้งก็เดินไปตามเส้นทางด่านนั้นเฉียดแกไป ร้านครูผู้เฒ่าเตะป่าเข้าไปที่ข้างหลังของมันขณะที่มันเดินเฉียดผ่านก็เตะสูงได้มากที่สุดก็เพียงแค่ขอ้อเหนือข้อเท้ามันเล็กน้อยเท่านั้นนี่ไงไอ้เปรดไปซะดีเลยวะเจ้าด้วนก็หยอกชั่วเมืไรพราถูกนั้นอินเตะมันก็เหวี่ยงขาหลังดีดไปเหมือนจะเตะตอบมามั่งโชคดีที่นันอินรู้ทันโดดหลบออกนอกทิศทางซะก่อน ฝ่าเท้าด้านหลังจึงเฉียดตัวแกไปอย่างบุบบิดซึ่งถ้าถูกข้าวมีหวังหนานอินลอยทั้งตัวแน่จึงหนานอินด่าพ่อล่อแม่ขลุมแล้วก็หยิบก้อนหินกว้างตามหลังมันมาซึ่งเจ้าช้างใหญ่ไม่สะเทือนเลยดารินหัวเราะงอหายแลนแทบจะลืมความทุกข์เศร้ากังวลที่ฝังกลุ่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาลงได้ชั่วขณะ เพราะอารมณ์ขันนิสัยขี้เล่นของเจ้าช้างป่าแสนรู้ลุงก็งห้ามด่าช้างกันนะช้างน่ะเป็นสัตว์แสนรู้นะลุงหลอนหันมาตะโกนบอกปนหัวเราะในขณะที่นันอินยังชูกำปั้นราใครไม่กล้า ด, ดา่นานันอินนี่แหละจะดา่ามันยิ่งแสนรู้ยิ่งดีจะได้รัว่นานันอินน่ะด่ามัน เกเรหังกุดไม่คิดเันหน่อยเดียวว่ามึงมาสวามีพระนายหญิงแล้วก็เป็นช้างของนายระพินพอจะตอกหน้าเกจ้ำเบาขี่แตกไปเลยมึงในอย่างมากกว่าอายุอายุรุ่นลูกกูเท่านั้นแต่โทรทะลึ่งพี่ช้างครับทั่วไปไอ้นี่เจ้าด่วนเดินเนิบเนิบทำหูทวนลมเฉยเหมือนจะไม่ได้ยิน แต่มันก็ทอดฝีเท้าลงเล็กน้อยเหมือนกันใครใจนานอินเดินตามมาให้ทันโดยไม่ทิ้งห่างแกเกินไปแกเดินตามมันไปพลางสะบดดาไปพลางบนคอช้างดารินปลดวิทยุมือถือขึ้นมากดคีย์พูดเรียกทุกคนค่ะน้อยกะลุงอินกำลังจะเข้าไปสมทบแล้วนะทุกคนโปรดสังเกตให้ดีนะพระเจ้าด้วนจะเข้าไปกันน้อยด้วย ตอนนี้น้อยนั่งอยู่บนคอมันลุงอินตามมาข้างหลังเฮ้ยน้อยนั่นถึงจะขึ้นแบบขี่คอเจ้าด้วนใช่ไหมเสียงพี่ชายใหญ่ถามลั่นมาก็มันไม่ยอมไม่น้อยเดินน่ะเจ้าน้อยขึ้นคอให้ได้ก็เลยต้องตามใจมันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงด้วนน่ะเดินได้นิ่มเชื่อเอาเอาเระวังนะ่ะมันจะพามุดลอดกิ่งไม้ ตัวเองชน ก, กิ่งไมห้หล่นมาค้อหักตายเลาอนุชาร้องบอกมาอีกคนหนึ่งจากวิทยุรับสมค่ะรับรองค่ะน้อยจะระวังตัวให้ดีที่สุดเชผ่านบริเวณอันเป็นที่ตั้งแทมของระพินซึ่งเกลื่อนไปด้วยซาดช้างอีกครั้งท่ามกลางกลิ่นเน่าตลบเจ้าด้วนหยุดยืนเบี่ยงตัวขวางทางด่านไว้ชูงวงขึ้นสูง และมีอาการรีรอรีรออยู่เช่นนั้นไม่ยอมเดินไปเบื้องหน้าดาดินจะร้องบอกให้มันเดินต่อไปยังไงมันก็ไม่ยอมเดินต่อคงห ม, มุนหันรีหันขวางนานอินผู้ตามมาเบื้องหลังเอาไม้ขอเล็กๆคว้างตะโกนว่าเฮ้ยไปดิด่วนหยุดหาอะไรวะเหม็นซากพวกเองจะตายโหงไปละช้างป่าแสนรู้ยังไม่ยอมไปส่งเสียงร้องออกมาแว๊ดนึ เพราะนั้นอินเดินถือเรียวไผ่เข้ามาถือมันก็ออกก้าวตัดทางเข้าไปบริเวณที่รกอันเป็นตำแหน่งห่างจากรอยที่ขึงกระโจมของนายจ้างอเมริกันประมาณส0สิบเมตรลึกเข้าไปเบื้องหลังเหมือนมีเจตนาจะนำไปยังที่ใดสักแห่งดาริงกระชากหูวไว้แต่มันก็ไม่สนใจคงเดินนำไปเป็นปกตินานินก้าวตามมันมาติดติ คู่เดียวเท่านั้นมันก็นำมาถึงบริเวณประหลาดแห่งหนึ่งทั้งดารินและนานอินพอเห็นเข้าถึงกระเบิกตามองอย่างแปลกใจแล้วก็สะดุดใจยิ่งนายหญิงพื้นที่ตรงนี้มีรอยขุดแล้วก็มีรอยกรบไว้นี่แต่ร้องบอกมาพร้อมทั้งกระโดดเข้าไปเดินวนอยู่รอบๆ บ, บริเวณ น, นั้นอย่างพินิษพิจารณาดารินจ้องขม็ง เจ้าเดือดคงชูงวงอยู่เช่นนั้นเบ่าลมพุ้ทพุดแล้วใช้งาแทงลงตรงบริเวณที่กรบดินพูนสูงเหนือกว่าพื้นทั่วๆไปขึ้นมาเล็กน้อยนั้นพร้อมทั้งงัดขึ้นเบาๆเหมือนจะบอกอะไรดินบริเวณที่งาทิ่มลงไปกระจุยขึ้นมาทาั้งกระบี่ร้อยขุดพวกนั้นขุดเอาไว้แน่ๆหรืนายหญิงเอ๊ะถ้าทางเหมือนหลุมฝังโซเพะ นั้นอินร้องบอกมาอย่างเร็วปรือพร้อมกับมองไปรอบๆ บ, บริเวณซึ่งพบทั้งก้นบุรีทั้งก้นสิก้าทิ้งอยู่สามสี่ก้นดารินพูดวิทยุทันทีพบหลักฐานอันใหม่แข็งแล้ดริมทางด่านด้านหลังที่พักของรถพินนี่สงสัยว่ามีใครในคณะตายแน่เพราะลักษณะเหมือนจะเป็นหลุมหลุมศพที่ฝังไว้หรอ อยู่ไหนพบได้ไงเสียงพี่ชายร้องถามมาเร็วปรือก็ด้านหลังที่พักไม่ห่งางออกไปนักนี่แหละค่ะพวกเราไม่ได้พบกันในครั้งแรกเพราะแยกห่างจากบริเวณออกมาเล็กน้อยตรงนี้มีรอยเท้ากลืนไปหมดเลยแสดงว่าทั้งคณะมาทำพิธีฝังศพตรงนี้แล้วก็พบก้นซิก้าก้นบุรีทิ้งอยู่รอบมีการตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในคณะของระพิน เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นว่าเป็นใครเจ้าล้วนพาไมา้เห็นลักษณะของหลุมเป็นไงรวมทั้งการกรบด้วยคราวนี้เป็นเสียงของอดีตพรานชดก็รู้สึกว่าจะเป็นการฝังอย่างธรรมดานล่ะค่ะแล้วคงจะลึกมากด้วยก็ไม่มีสัญญาณบอกอะไรทั้งสิ้นว่าจะเป็นศพใครไม่มีไม้หลักหรือว่ากางเขนตักแน่ใจนะว่าเป็นหลุมศพ แน่ใจที่สุดเลยค่ะว้ะยุ่งละสินีแ่แปลว่ามีการตายเกิดขึ้นด้วยเลยเอทั้งด้านนี้ก็เห็นมีร่องรอยว่าคนเจ็บถูกใส่แคร่หามไปนี่นะชายันผู้เสียงมาจากลำโพงบ้างทางโน้นคงเต็มไปด้วยความโงละตรกหนกเช่นกันน้อยก็เดาอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคงมีทั้งคนเจ็บที่ต้องรักษาแล้วก็คนตายนั่นแหละ คนเจ็บก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเจ็บเพราะกระทิงแต่คนตายนะเราไม่แน่ใจว่าตายขณะที่ช้างบุกเรื่อไรแต่รอยที่ฝังไว้กะดูว่าเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินมาพักแล้วก็ประสบเหตุการณ์ร้ายที่นี่แน่นอนพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชายันจะมาดูไหมเสียงฝ่ายโน้นเงียบไปครู่และเชิดถาก็บอกมาว่าน้อยลองปรึกษาลุงอินดูสิ วพาหลุมฝังศพแบบนั้นควรจะเป็นหลุมศพของใครการพ บ, พบรอยฝังศพทำให้เรารู้แน่นอนแล้วว่ามีการตายเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่เห็นมันก็ล้วนเป็นเรื่องร้ายที่คณะของเราพินเผชิญแต่เราต้องการแน่ใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นศพของอมริการคนใดคนหนึ่งหรือไม่สาหรับเราพินยังไม่ต้องห่วงไม่ใช่เขาแน่เพราะทางด้านนี้ ขยินค้นพบร่องรอยการนำทางของระพินมีหลักฐานได้แน่ชัดว่าคณะทั้งหมดที่เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งนั้นยังมีระพินเป็นผู้นำอยู่ขยินจำรอยหักกิ่งไม้ของระพินได้และอนุชาก็พบพื้นรองเท้าที่ย่ำไว้ตรงพื้นที่อันอ่อนแล้วก็แฉบบางตอนซึ่งลักษณะของพื้นรองเท้าขนาดมันเป็นของระพินแน่นอนไม่จะเป็นการสั่งการจากวิทยุมือถือ แต่ดารินก็เปิดวอลลุ่มเสียงดังลั่นและหนานินก็ได้ยินตลอดแต่เงยหน้าบอกหญิงสาวมาว่านายหญิงบอกพร้นเจ้านายทั้งสามคนไปเถอะนี่นะไม่ใช่ลุมศพของนายระพินหรือพวกฝรั่งแน่นอนอาจเป็นพวกลูกหาบหรือพวกกระเรียงที่เราพบว่าตามหญิงกระทิงมานั่นแหละจะต้องมีทั้งคนเจ็บและคนตาย คนเจ็บก็ถูกรักษาคนตายก็ถูกฝังถ้นานหนรพินตายบริเวณนี้พวกนั้นก็หมดปัญญาที่จะเดินต่อยแล้วนอกจากกลับแล้วถ้าเป็นพวกฝรั่งก็น่าจะมีหลักปักอะไรไว้บัาไอ้ส่วนถ้าเราจะขุดศพขึ้นมาดูมันก็เสียเวลาเปล่าดาริงวิทยุบอกไปตามความเห็นของครูพรานทันทีเรีเตถาสั่งการต่อมาว่า งั้นก็ถอยเถอะรีบมาสมทกบกับพวกเราเร็วเขา้าบุกตามไปข้างหน้าแล้วก็รู้เองแหละ